ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนเสาเข็มเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปต้องทำแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศเก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศเก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำยังมีสามะคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไป ตนเอง self-sufficiency self-sufficiency นั้นหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่นอยู่ได้ด้วยตนเองพึ่งตนเองบางคนแปลาจากภาษาฝรั่งว่าให้ยืนบนขาตัวเองคำว่ายืนบนขาตัวเองนี่มีคนบางคนพูดว่าชอบกลใครจะมายืนบนขาคนอื่น มายืนบนขาเราเราก็โกรธแต่ตัวเองยืนบนขาตัวเองก็ต้องเสียหลักหกล้มหรือล้มลงอันนี้ก็เป็นความคิดที่อาจจะเฟื่องไปหน่อยแต่ว่าเป็นความที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเองซึ่งแปลว่าพึ่งตนเองหมายความว่าสองขาของเราเนี่ยยืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้มไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอื่นมาใช้สาหรับยืน หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) การกระทำใดๆให้มีความพอเพียงหมายถึงทำพอประมาณด้วยเหตุและผลการพัฒนาต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวเพื่อสามารถรเผชิญและอยู่รอดจากผลกระทบ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในต้องมีความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกๆขั้นตอนต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในประเทศให้สำนึกในคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมต้องดำเนินชีวิตด้วยมีความ คนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบสร้างความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆกา ร, การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสังคมแต่ละระดับ ระดับบุคคลและครอบครัวสามารถให้ตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนใน5ด้าน 1. จิตใจ 2. ส, สังคม 3. เทคโนโลยีสทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. เศรษฐกิจรู้จักคำว่าพอและไม่เบียดเบียนผู้อื่น พยายามพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความชนานาญมีความสุขและความพอใจกับชีวิตที่พอเพียงยึดเส้นทางสายกลางในการดำารงชีวิตระดับชุมชนประกอบด้วยบุคคลและครอบครัวที่มีความพอเพียงแล้วร่วมกลุ่มทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของตนและชุมชนมีความเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกชุมชนทำให้เกิดพลังทางสังคมพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆระดับรัฐหรือระดับประเทศประกอบด้วยสังคมต่างๆที่เข้มแข็ง ชุมชนและสังคมหลายๆแห่งร่วมมือกันพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียงและพร้อมก่อนจึงค่อยๆดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญขึ้นเป็นลำดับลดับต่อไป ยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแธอในชีวิตคนทจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอแค่มีคำว่าพอก็สุข เกินใคร